คอยตามรักษาสมองเด็กจึงมีความปลอดภัยไม่คอยรับอันตรายต่างๆส่วน จ, จิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นเกาะสิ่งนี้นีคือไม่เป็นความแน่นอนเหมือนเด็กเกาะพ่อแม่พี่เลี้ยงซึ่งเป็นที่ปลอดภัย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 เนื้สิ่งที่ถูกเกาะนั้นไม่เป็นสิ่งที่แน่ใจจึงต้องเป็นภัยแก่จิตเรื่อยๆนะจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเด็กก็ตามนิสัยของจิตย่อมเป็นเช่นนั้นไม่คยวยหวังพึ่งตัวเองมีแต่หวังพึ่งผู้อื่นสิ่งอื่นอยู่เสมอไม่เป็นตัวของตัวได้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 ไม่่ไม่ถูกทางแต่พระพุทธเจ้าสอนสอนว่าอัตตาหิตนุนาโถนี่เรียกว่าพยายามแก้ไขความเกาะเกี่ยวของจิตที่หลังพึ่งพิงสิ่งต่างๆนี้วัตถุต่างๆนั้นให้เข้าหันเข้ามาพึ่งตนเองบ้างอย่งอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยเพื่อนฝูงอาศัยใคยๆต่าง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 พึ่งสิ่งนั้นก็พึ่งมาพอสมควรสิ่งนั้นก็พึ่งอสินนี้ก็ให้พึ่งถึงพยายามอบรมทางด้านกิตตภพนาสอนให้พึ่งตัวเองโดยอาศัยธรรมะบทปัญญานั่นเข้ามาเป็นเครื่องกำกับใจให้อาศัยพึ่งทำนั้นก่อนก่อนที่ตนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้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 พึ่งตัวเด่นได้แล้วในขนาดนั้นทำบทใดทั้งหมดไม่จำเป็นในขนาดที่จิตมีความสงบอยู่ด้วยดีนี่เป็นเป็นละเป็นที่พึ่งอันหนึ่งของจิตเพียงเท่า น, นี้ก็มีความร่มเย็นภานจิตใจของเราเพราะจิตใจตามธรรมดาแล้วไม่เคยร่มเย็น มีต่วความนุ่มนอนมีต่วความหิวความกระหายมีต่วความระวังเนื้อระวังตัวเรื่องต่างๆซึ่งไม่เข้ารื่องระวังหักไม่ถูกทางความระวังนั้นเลยกลายเปความสอดสแอนหาสิ่งเป็นพิเป็นพายมาทำลายตัวเองเคสเป็นจํานวนมากเพราะไม่ใช่ทางพระโพธิจเจตัทนทรงรู้ทรงเห็นแล้ว ในวิธีที่ถูกต้องตลอดทั้งผลที่ได้รับแล้วเป็นที่พุนมพอพรไทยจอแนะนำนั้นมาสอนพวกเราให้พึ่งตนเองการบำเพ็ญจิตตาภาวนาเป็นทางตรงแน่วแต่ต่อการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงผิดผู้ใดมีความสงบมีหลักมีเกณฑ์มากน้อยเพียงใดจะ เป็นความแน่ใจและมั่นใจตนเองขึ้นไปโดยลำดับคือ<ม>ไม่ต้องถามใครรู้อยู่ภายในตัวเองที่เรียกว่าปัจจตังหรือสันทิตโกสันทิตโกสิกส่งที่รู้ที่เห็นดีชั่วควรแก้ควรถอดควรถอนควร บ, บ, ำ, บำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจแน่หนามันกลมขึ้นโดยลำดับก็ทราบ เพียงขั้นสมาธิก็พอเป็นหนักใจพอเป็นเรือนใจได้ให้มีความร่มเย็นในขณะที่เราคิดอะไรมากมายกะกองเนาย้อนเข้ามาสู่กิตตภาวนาใจพักจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเสียเข้าเป็นความสงบร่มเย็นมี่เชื่อเข้าหาที่พึ่งของ า, าที่อาศัยอันร่มเย็นมีเป็นที่พึ่งขั้น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 ออกมาอีกงอกออกมาอีกจนได้อาจารย์ ส, สอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความเฉียวฉลาดแหล ม, มคมไปตรองไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเมื่อละเอียดกว่าปัญญาไปแล้วท่านก็เรียกว่ายานไปแล้วดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับโพธนสูตร ปัญญาอุตรปานิวิชาอุดรปานอโลโก้อุดรปานเนานงงอุดรปานนี่เนี่ยตงวิชากับวิชาสามเนี่ยปัญญาอุดรปานนี่ปัญญาเกิดขึ้นเงานางอุดรปานนี่มีความละเอียดเข้าไ ป, ไปดำดำดำาเป็นลำหนักๆเกิดขึ้นจากใจอันเดียวนั่นเองปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนที่เล็ก ที่ปกคุมตนเองสมาธิเป็นโดยเพียงว่า ท, ทําพิเรกกวาดต้อมพิเรสเข้ามาให้รวมตัวอยู่ภายในจิตใจเป็นการตึงเวลาแต่อูประธานของจิตที่มีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนั้นยังไม่หักเบาบางลงไปพอจิตได้รับความสงบร่มเย็นบ้างเท่านั้นปัญญาจะดป็ยสิ่งที่ฟาดฟันหรือถอดถอนสิ่งต่างๆบรรดาที่เป็นพิเรก มากน้อยออกได้เป็นลำดับลำดับส ม, สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปาราโหติมหิสร่างสมาปัญญาที่สมาธิาธาธอบรมแล้วย่อมมีผลมากในต่อการในการพิจารณามีผลมากค้่องแคล่วแก้วกล้าสามารถตัดวิเลดได้โดยลำดับลาดับ ปัญญาพิภาวิตังจิตต n g สัมมาเดวะอสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นโดยทิ่เลียงทั้งปวงโดยชอบงานต่างๆปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะถอดถอนจิ่เลีไม่ว่าสนอยากสป็นกลางสนละเอียดได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะเหนือปัญญาไปได้ไปได้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 เสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานำมารับทานยายาทาตขันตัวมีกำลังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเสียไม่หมดเติมน้ำมันถ้าไปนวดก็แลว้วเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้ตัญญา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 พระองค์แรกไม่ปรากฏว่ามีตำราที่หนเวลาสั่งสอนสาวกหรือเวียนยสัตว์ทั้งก็เหมือนกันไม่ได้าลึกลงในคำภีใบลานสอนด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองสาวกก็สอนด้วยปากทั้งนั้นเอาอะไรมาสอนก็เอามาจากความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใ จ, ใจซึ่งได้รู้ได้เห็นจากการประยัดแล้วนี้ไปสอนนะเพราะฉะนั้นอุบายของสติ ป, ปัญญาจึงสาคัญอยู่ที่ผู้คิดผู้พิจารณาจะ แยกแยกออกมาใช้ในตัวเองตามสติกําลังความสามารถของแต่ละรายและหลายต่ไม่สิ้นสุดหรือไม่จํ า, าจเป็นที่จะต้องไปหาเอาตามตำหนักตำรานมาเสียทุกแง่ทุกมุมจึงจะเป็นธรรมเราคิดขึ้นโดยลําพังไม่เป็นธรรมไม่สามารถแจงเฉลี่ได้นี่เป็นความผห็ผิดของเราท่านแสดงไว้ตามตำหนักตํารานั้นมีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากเลย ถ้าปัญญาก็เป็นยาหม้อใหญ่ไม่ใช่เป็นญาที่เจาะจงโรคนั้นโดยเฉพาะเฉพาะที่เราคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับการแก้ที่เหลวแต่ละประเภทนี้เป็นยาที่เหมาะสมกับกิเลวประเภทนั้นๆที่จะถอดถอนโรคกิเลวประเภทนั้น น, นให้หมดไปโดยลยํำดับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติในทางปัญญายิงอยู่ที่ไหนท่านก็มีอัดมีทำมีสติปัญญาค้นคว้า อ, อยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงว่า ฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนนานอะไรก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอยู่เรื่อยๆสัมผัสแล้วจะเมื่อไม่ขอไปรับทราบที่จิตให้จิตเป็นผู้รับทราบอะไรจะผู้รับทราบการที่กิต ร, รับทราบก็กระเตือ น, นึงสติปัญญาจะต้องค้นควา้าพิจิตรณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเมื่อทราบแล้วก็ถอบถอนหรือปล่อยวางกันไปได้โดยนดั้นนี่ท่าเรียกว่าฟังธรรมท่างกลางวันกลางคืนคือทําในหลักธรรมชาติ ที่มีอยู่ดั้งเดิมกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตธรรมะศัตถิสัมมาสมาธิปัญญาก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีภายนในใจิตใจสุดแล้วแต่ผู้ที่จะผลิตคนขึ้นมาคิดพิจารณาใช้ประโยชน์ตามส ต, ติกําลังความสามารถแห่งเครื่องมือนั้นๆคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือธาตุขันเนี่ยตังว่าธาตุว่าขันถ้าปุรนกาย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 เป็นสิ่งที่ทำได้รู้ได้รู้ได้นี่อ่ิตที่ว่าพึ่งตัวเองไม่ได้สรุปลงมาในตัวของเรานี่ <c oughs> ก็คือต้องพึ่งขันนอกจากพึ่งขันแล้วยังถือขันเป็นตนอีกนั่นะพึ่งเขาแล้วยังถือเขาว่าเป็นตนโดยไม่ละอายเลย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 ขึ้นไปจากจิตแล้วความหมายสําคัญมัหมายต่างๆาาก็ไปจากจิตเป็นผู้หมายจิตนี้ปัจจุวัตรซึ่งความรุ่งหลงเต็มตัวสแสดงมาในแย่ในจึงมีแต่ความรุ่งความหลงความยึดความถืออันจะเป็นภัยแก่ตนทั้งนั้นนี่นี่แหละที่ว่าจิตมันพึ่งตนเองไม่ได้มันจึงต้องไปกรอบ น, นั้นก่อนนี้การพิจารณาทางด้านปัญญากรอบเพื่อจะให้รู้เรื่องในสิงทั้งหลายแล้วขักออกไปดันออกไปแออก้อไปให้พึ่งตนเองได้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 เป็นสิ่งที่เราพิจารณาเองรู้เองมากน้อยเราต้องพิจารณาเองเข้าใจเองเมื่อเข้าใจเป็นภูมิก็ปล่อยเป็นที่เนี่ <scrib es. S 1> เราเป็นคนถือเองคนอื่นจะปล่อยวางให้เราไม่ได้เราต้องพิจารณาเพวกปล่อยวางเราเองเห็นว่า <gelecek> เป็นสิ่งที่อาศัยเพียเท่านั้นจะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเรา ด้วยความโง่เขลาบกันดาของเราเจ้ากอบความทุกข์ให้แกเราไม่มีสิ้นสุดยิ่งในว่าสุดท้ายอันนี้จะแตกจะสลายจะเกิดความเชื่อายเกิดความหมองความใหความรักความสงวนแล้วยิ่งจะป้ายใหญ่ทั้งๆที่มันไม่ไม่มีอะไรที่ให้ให้รักให้เสียดายไม่ต้องว่าน่ารักแหละไม่มีอะไรให้ให้รักให้เสียดายเลยนี่แต่สิ่งที่จะแตกจะสลายถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นเพรายังจะฝืนอยู่หรือมันจะแตกมันจะสลาย ตามการเวลาของหมัดอย่างไม่มีที่แย้งนี่เป็นความจริงแล้วฝืนความจริงแบบไม่อยากนั้นแตกไม่อยางมันดัดยังรับอย่างสงวนอยู่อย่างนี้มันฝืนฝืนความจริงความฝืนความจริงนี้จะต้องก่อทุกข์ให้เรามากมากระกรองดีไม่ดีไม่ได้สติสตังในขณะนั้นซะด้วยนี่เหล่านี้เป็นโทษแห่งความฝืนความจริงทัางหนัง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 เอียงเราก็เอียงสิ่งนั้นล้มเราก็ล้มพ้า อ, อาศัยเขาเนี่ยเขาพะเอียงก็เอียงเขาพะล้มก็ล้มเขาพะตั้งอยู่ก็ก็พอตั้งอะไรบ้างแต่มันไม่ยอมตั้งนัถึงเขาตั้งอยู่ยังไม่ตายเราก็ยังเดือดร้อนนะ่ะเนี่ยนั่เนเองต้องพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาของเราเป็นสิ่งเปียนเครื่องอาศัยทั้งนั้นวันเวลานาทีกินเข้าไปโดยล ด, ดับดับ ถ้าเราเห็นความกัดความกินความแพ้ของวันเวลาของการของธรรมชาติทั้งมันที่มันสึกมันก่อนไปโดยลำดับแล้วมันก็เหมือนกับสุนัขทึ้งเนื้อต่างๆนันเอไม่ผิดอะไรทึ้งตลอดเวลากัดแท้ทึ้งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรที่จะ ก, ดกัดจะแท้อันนี้ก็เอากันอยู่งั้นอ่ะสันลายไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงความจริงของมัน อยู่กับเราก็ต า, ามนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ตามรับชนิดก็ก็ตามอันมันกัดมันแท้มันถึ้งคือเว ล, ลาเวลาความสลายความหมกไปหมกไปนัง่งนั่กัดมันแท้มันถึ้งอยู่เสมอเราอยากจะแย่เขาไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้หรอือแยกไม่ได้อั น, นั้นเป็นกติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่โตมากความสำคัญของเราเนี่เป็นเป็นเรื่องผิดความผิด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 ต่งอันต่างเป็นไปอะไรแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรก็ให้เป็นอทุกเวทนามัมนก็เผ า, เา ก, กับส่วนร่างกายนี้อร่างกายนี้ก็ค่อยกรอบค่อยเตรียมลงไปโดยลําดับลําดับแตกสลายลงไปอ้าวจิตใจมีสติปัญญารอบตัวแล้วไม่แตกไม่ดังมไม่ติเป็นตัวของตัวโดยตรงพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่นี้แสงสว่างนี่ การาพิจารณาภาวนามีความสำคัญอย่างนี้มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างนี้นักตราท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงต้องสอนลงเรื่องสติ ป, ปัญญานี้เป็นุำคัญเพื่อนํานจิตชุดล่าจิตออกมาจากกองเพลิงให้พ้นจากภัยไปศา ส, สนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนแบบเดียวกัน เพราะธรรมชาติเหล่านี้มีแบบเดียวกันที่เหลืแบบเดียวกันไม่มีองค์ใดที่จะสอนให้แตกให้แยกไปจากนี่เลยต้องสอนแบบเดียวกันการทปฏิบัติเพื่อสะท้อนสะท้อนที่เหลืกมากน้อยออกไก่ใจก็ต้องแบบเดียวกันคือตามหลักที่ท่านสอนไว้ดําเนินตามแบบนั้นถ้าผิดจากแบบนั้นแล้วที่เหลือก็หัวเราะ เอาแล้พี่จะมาไม่ว่า ก, กว้างว่าแคบเอาทั้งโลกฐานผิดจะหวังพึ่งอะไรพอปลอดภัยเพราะธรรมะพึ่งฟังดีแม้แต่สิ่งที่ติดแน่กับตัวของเรานี้ยมันยังไม่ปลอดภัยถ้าเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกประจากร่างกายของเราเนี่ยงจะปลอดภัยหาไม่เจอเลย แต่สิ่งที่ติดแน่อยู่กับเรามันยังไม่ปลอดภัยมันยังเป็นตัวภัยอยู่ได้เรายังไม่เห็นตัวภัยนี่เราจะไปเห็นภัยที่ไหนต้องเห็นภัยที่นี่แล้วถอดถอนจิตใจออกจากตัวภายนี้ก็เป็นคุณขึ้นมานี่เรียกว่าอัตตาเหตุนนาโถโดยสมบูรณ์หมาพึ่งอะไรทั้งสิ้นแม้ที่สุด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 ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องหนึแก้กิเลสพราอกิเลสสิ้นไปแล้วอันนี้ก็หมดความหมายไปกับใจเอ่ยเวลามีชีวิตอยู่ที่นำมาใช้ก็ใช้เพื่อโลภเพื่อโสะไปตามสมมติท่านั้นไม่ได้ใช้มาแก้กิเลสแต่อย่างใดอีกต่อไปยิ่งเวราสุดท้ายที่จะผ่านธาตุฐานขันธ์ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยสติปัญญาก็กเรียบก่อนไม่มีปัญหาธาตุขันธ์ก็มีปัญหา พอหมดตัญหาภายในจิตใจแล้วอะไรก็หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงกล้าเข้าสู่ความหมดปัญหาจะมันก็หมดต่างหมดถ้าจะมีปัญหาอยู่มันปัญหาฟังถ้าว่าปัญหาเรื่องความทุกข์ความลําบากความเกิดแากเจตุตานั่นก็ตามมันไปนั่นแหละคาว่าปัญหาพอสิ้นปัญหาแล้วก็สิ้นโดยประการทั้งปวงที่จะนาให้รู้ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่กับกายกับใจของเราแยกแยกให้ได้ด้วยอํนนานาจของสติปัญญาที่พั น, นาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจสติปัญญาเอามาหุงต้มกินไม่ได้ได้แต่เพื่อเอามาแก้กิเลสถ้าเราจะกลิตออกมาใช้ในการแก้กิเลสแก้ได้วันย่างคาถ้าจะพานนอนจมกับจมอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรผลที่สุดปัญญาขามันสาวอยู่ที่ไหน เวลาจนกรอบเจนมุมก็เอาหัวชนฝาใช่ไม่ได้เลยเราไม่ใช่ลูกศิษย์ตถาคตผู้เอาหัวชนฝ า, าโอ้ที่เจ้าไม่ใช่ผู้หัวชนฝาอืมสังฆัง ก, น, งก น, งนังกระฉามที่เรานับถือก็ไม่ใช่ท่านพูดเอาหัวชนฝามาเราจะ เ, เอาหัวชนฝาเนั่นมีทางพอจะปิดตัวออกได้ด้วยอุบายใดและต้องพยายามจนหมดความสามารถของเรา หมุ่มมดจสามารถแล้วก็สุดวิสัยเอาอยู่ไปถึงท่านใดภูมิใ ด, ดก็อยู่กันไปเพราะมันสุดวิสัยที่ทาเมื่อยังไม่สุดวิสัยเอาพยายามตะเกียบตะกายเสือกทานแต่ให้ได้การมาล่มจมเนื้อมาตัดร่องฐานมันก็เหมือนเนือล่มอะไรก็ล่มไปด้วยกันหมดตะวันเรือก็ล่มก็จมวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือก็อจมคนก็ตายเนี่ย เราล่มจมกับธาตุกับขันด้วยความรุ่งความหลงธาตุขันก็ล่มไปตามสภาพของเขาอืมจิจใจของเราก็ล่มก็จมไปด้วยนี่ ม, มันดีแล้วเหรอความรุ่งความจมไม่ใช่เป็นของดีจิตใจล่มจมโดยเฉพาะความรุ่งหลงดิ่บั้องขับให้จมดิ่งลงไปมันก็ไม่ใช่ของดีเพราะนั้นต้องเอาให้เล็ดรอดไปโดยลำแบาบกที่จาน่าให้เห็นความจริงของเฉพาะอย่างยิ่งของทุกขเวทนา ที่มันมีอยู่ในกายในจิตแต่พาะอย่างยิ่งในกายนี่สําคัญมากมันเข้าไปยึดกายเป็นเรื่องในจิตเข้าไปไปให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงที่ว่าอาการห้าให้ทราบอาการห้าไม่ใช่เรารูปเวทนาปัญญาต่างขันยิญยานเป็นอาการหนึ่งที่อาศาาัยกันอยู่ในธาตุขันนี้เท่านั้นจิตเป็นอันหนึ่งต่งางแยกแยะกันให้ได้ด้วยสติปัญญาของตนจะเป็นผู้พ้นไถ่ตายก็ตายโดยเธ อ, อ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 ท่านี่เคยพูดเสมอกุศลธรรมมาสร้างให้พอความเฉลี่ยฉลาดให้เราแหละกุศลาเราเองกุศลธรรมงานอกุศลธรรมมาอากุศลที่ตรงไหนที่มันโง่กําจัดมันออกไปด้วยกุศลคือความฉลาดวิสติปัญญาของเรานี่แหละท่านบอกว่าสวดกุศลธรรมมาให้ตัวเองพึ่งตัวเองต้องทำอย่างนี้พึ่งคนอื่นเมื่ตายแล้วถ้ากุศลธรรมมายุ่งไปหมดเออไม่เอา พุทนาตัมไม้ตัวมัพอรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่จําเป็นต้องยุ่งเยิงวุนว่นวายตายอย่างสุขโตอัลละแสดงเพื่อนเข้ามือ